ทานพุทธการประผุดว่าท่านสนใจทางจิตมากกว่าด้านวัตถุคือมากจริงๆไม่ใช่มากธรรมดาเป็นเนื่อเป็นหนังจริงๆหรือเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติ พอตกมาสมัยทุกวันนี้เป็นบัด้านวัตถุโกงกางข้ามไปเลยเ้าี่เห็นได้หนะที่ต่างๆแล้วพออย่างยิ่งตามมัดวาอารามมีแต่การก่อการสร้างตกระดับเป็นความสวยงามกันนั่นเป็นถือว่าเป็นกิจของศาสนาจริงๆขึ้นมาซะแล้วทางบรธการทำไมสนใจในกิจเหล่านี้แต่สนใจในการ ที่ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสมากยิ่งกว่าทางด้านวัตถุการอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความสงบมกเนี่ยเฉพาะพระเราจะเห็นได้เวลาท่านสอนทางอย่าเริ่มความยั่งยืนอย่กับพระวินัย เวลาพระต้องการไม้ที่จะมาทำประโยชน์อะไรเล็กๆน้อยๆเ น, นี่ยให้โบกมือมองเห็นอนุปสัมบัญจะเป็นเนินก็ตามเป็นคราวาทหน้าดวผู้ใยก็าตามที่มีอยู่ในวันนั้นให้บกมือให้คนนั่นมาแล้วก็บอกว่าเราจะต้องการนี่น ไม่ให้เลือกไม่ให้ตะคุณเลือกะเ้วรว่าท่านต้องการความสงัด ท, ท่านอยู่ด้วยความสงัดตลอดเวลาสถานที่ทำความภากเปลี่ยนท่านแต่เป็นที่น้าดูแต่เรากลับเป็นสถานที่อยู่เป็นที่น้าดูเป็นเรื่องของโลกแต่สถานที่ทําความเปลี่ยนไม่มี คือสานที่เดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาจะเรียกว่าไม่มีก็ก็น่าจะได้กลับเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนสะดวกสบายไปหมดไม่งกันข้างที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนเป็นความสบายก็เป็นเพื่อส่งเสริมที่เหลืมากขึ้นเดื่องแต่สถานที่เดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาเป็นที่เหมาะสมเป็นที่สะดวกสบายก็เป็นเรื่องทําเลที่ ชาตฟันหันแหลกกับกิเลสนั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่ง น, นะเวลาท่านสนธนาธรรมะกันจะสนทนาตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำเรื่องเหตุเรื่องผลเพื่อการแก้ิเลกสถานที่ก่อนแสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทําความเพียรที่เดินไปอบรมสมาธิภาวนาทั้งนั้นเรื่องการบ้านการเมืองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลย โกงเป็นข้ามโกงข้ามมาทอย่างทุกวันนี้เรื่องธรรมะไม่ค่อยมีมีเรื่องการบ้านกันเมืองยุ่งไปหมดนั่งชุมนุมกันที่ตรไหนมีแต่เรื่องเดียวกันหากว่าจะคิดาราจะตรงธรรมะต้องเลิกนก็ควรเลิกโกงตลอดเวลามีเรื่องของยิ่งเละมันจะหมดซิ้นไปได้อย่างไงศาสนาก็เลยกลายเป็นศัพ์แต่ว่าศาสนาทําอะไรเป็ศัพแต่ว่าเป็นพิธีและพิธีไปหมด นี่พิธีก็เลยออกหน้าออกตาเลยเป็นถือเป็นสาระแก่นสารเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาความจริงก็เลยกลายเป็นกระพี้เป็นอะไรไปสุดท้ายออมาตามําหนิศาสนาทำหมดเขตหมสมัยนอกสมมติทานแล้วมีอย่างนั้นมีอยู่เยอะถ้าจะมาตำหนิตัวแค่บ้างก็ควรจะกระเทือนกิเลสต้องามาตําหนิศาสนาเพื่อเป็นการส่งเสริมวีทยาได้ดี นิยุ่นเข้ามาถึงเราผู้ปฏิบัติว า, าของจิตทีคิดไปทางที่สั่งสมวิเลศนั้นมีมากน้อยเพียงไรแต่วาระของจิตทคิดเพื่ออัดเพื่อทำอ น, นี่เราควรจะนํามาทดสอบกันเพราะการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อตาหนิปิเตียนผู้หนึ่งผู้ใดแต่เป็นเรื่องของธรรมที่เป็นสงเคราะห์เข้ามาสู่ตัวของเราผู้มุ่งหวังต่อธรรมอยู่แล้วและกําลังฟังอัดฟังธรรมอยู่เวลานี้ พูดกันด่าดึงทุกแข็งทุกขนมอกปกแดงตรงนั้นปกของมนิษย์มนุษย์เป็นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นวันมองๆสําหรับโลกเป็นอย่างนั้นจะให้ชื่อว่าแดงหรือไม่แดงมื่อสิเลตทำผหาศัตรูมันครอบคุมจิตใจขึ้นมากๆอยู่ที่ไหนมันก็ร้องเหมือนกันคนนั้นแหละเยียดเยือนคนมากยิ่งกว่าอันใดที่จะมาเบียดเบือนทำลายนอกจากคนเบียดเยียนกันเอารัดเอาเปรียบกันเพราะมนุษย์ ที่ฉลาดมันทําหน้าทุกอย่างทางศาสนามีความเห็นแก่ใจแก่กันญาการตัวเหตุโดยผลเป็นต้นไม่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วไม่ว่าจะให้ชื่อให้นามลทัทธิลึกการกระทํานั้นๆว่าเป็นอะไรก็ตามมันก็คือความเกิดร้อนนั่นแหละที่เกิดขึ้นจากการกระทํา จิตใจของเราก็าเมื่อได้คิดไปในทางที่เป็นเครื่องก่อกวนวุ่นวายตัวเองมันก็ทํานองเดียวกันนั้นถ้าคิดมาทางเหตุทางผลทางอัตต์ทางธรรมมันก็มีการดับยั่งทั้งทั้งตัวเองและมีการแบ่งสื้แบ่งรับหมีการต่อผู้ในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นข้าศึกแก่ใจจิตใจก็มีความเจริญขึ้นได้เมื่อมีความรักษากันอยู่ ใจเรียมเหมือนกับผ้าขาวไม่อินต่อการอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่มีความอิ่มอสำหรับใจไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มันมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เป็นประจำความอยากรู้อยากเห็นต่างทั้งกับสิ่งที่เข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องภายในาจิตใจมันก็เหมือนอนั่งสีมาย้อมย้อมผ้าขาว สีเป็นอย่างไรผ้าขาวก็ต้องเป็นไปตามสีที่ยอมจิตใจที่แรกก็ท่านบอกว่าผ่องใสน่ะตามหลักตามทั้งกล่าวไว้แต่อาศัยที่เล็กที่จรมาความที่กิเลสจรมาก็คือจิตนี้เองนี่เองจร อ, ออกไปหาที่เล็กออกไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วก็ น, นําอารมณ์อันนั้นเข้ามานั่นหละที่ว่ากิเลสจรมาขึ้นมากับอารมณ์อั น, นั้นเนื่องจากจิตไัวค้าประยุทธ์เป็นเหยื่ยอเอาสิ่ง น, นั้นเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจ แล้วก็เข้ามาย้อมภายในจิตใจกลายเป็นจิตที่เศร้าหมองไปไปด้วยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายท่านกล่าววว้ในธรรมว่ารก่อนทุกจิทั้งหลายจิตเดิม น, นั้นผ่องใสแต่อาศัยกิเลสที่จอนเข้ามาคาค้ากับใจใจยิง เป็นไปต่างๆตามอารมณ์หรือตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นะท่านไม่ได้บอกว่าเดิมจิตเดิมแท้บริสุทธิ์ท่านบอกว่าจิตเดิมแท้บริผ่องใสนั่นพระพัฒรามีดังจิตตังพิเกเวนันพระภัฒระก็บอกว่าพระพัฒนสอนคือผ่องใสไม่ละหมายถึงไม่ได้บอกว่าบริสุทธิ์ถ้าว่าบริสุทธิ์จริงๆแล้วจะมาเกิดไม่ได้ ทว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตเดิมแทบบริสุทธิ์แล้วก็มีปัญหาที่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าผ่องใสแล้วแน่นอนว่ามีคางเพราะมันก็เหมือนกับมเมล็ดต่างๆที่มันเก็บโออะไรไว้ใ น, มนเมล็ดของมันเวลาไปเพาะอะไรมันก็เกิดขึ้มานี่เป็นความสงบของจิต ท, ที่มันอยู่กับจิตนั้นมันไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ ตาหูตูมูกเลื่อนกายไม่มีมีแต่จิตล้วนๆนั้นมันก็เป็นจิตที่ผ่องใสคือจิตไม่ได้ท่ากิริยามีพอเข้ามาค้าเข้ากับส่วนร่างกายมีธาตุมีแล้วก็มีเครื่องมือขึ้นมาจิต ก, ก็แสดงตัวออกได้ตามกําลังของเครื่องมือที่พอจะใช้ได้ขนาดไหนเป็นเด็กๆเล็กๆจริงๆก็บางครั้งมาหน่าเติมไม่เติม น, น, น, น่ว เราเกิด ต, ตัวขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมกันขึ้นมาตาหูจหมูกลิ้ยงกายก็อใช้ได้เป็นแค่ น, นั้นอะ่ะ ต, ตาดูหูก็ฟังเลยวิริยะก็เข้ามาเลยทีนี้ก็เลยไนมะ่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรหมดทั้งตัวรวแวแน่าตั้งแต่เป็นเรื่องของวิริยะกันหาอาสาทั้งหมดคิดตอนในแง่ในมุมใดเวลาใดอดีตหรืออนาคตล้นแยกตั้งแต่การก่อป่ววเริย สั่งเขามาภายในจิตใจของตนเร่งเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแก้มันจึงลําบากเพราะการสั่งสมเราสั่งสมมาตั้งแต่ยังไม่รู้จกะะักยังสมมาภาวะมันก็สั่งสมมาเรื่อยๆกับไหนกันใดก็สั่งสมมาการที่จะแก้ให้โดยสุดหรือให้ผ่องใสตามใจมากใจหมายความท้องควันของตนนั้นมันจึงเป็นไปได้ยาก ม, มันควรจะเหตุผลที่จะ มีความสงบหรือมีความสงสัยไปได้มากน้อยเพียงไรการจะกเกิดคือการกระทํำของเราแต่เมื่อทําอยู่มาหยุดม่ถอนมีการชนะท่าสางกันอยู่มีการบำรุงรักษาอยู่เส ม, มอจิตก็ค่อยๆเริ่อรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในปัจจุบันของเราเนี่จะเป็นชั่วระยะเดือนก็ตามระยะปีก็ตามด้วยการระมัดระวังรักษาจิตหรือโดยสม่ำเสมอเราจะทราบเรื่องความเคลื่อนไหวอาการของจิต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 มันเปื้อนที่ตรงไหนมันโชกโภกที่ตรงไหนแต่เมื่อมีการช้านั่งโดยลําดับลําดับขึ้นมามันก็พอทราบได้ถึงเรามาปฏิบัติภายในเดือนนี้เป็นอย่างไรปฏิบัติอยู่เสมอได้รับ ก, การอบรมอยู่เสมอภายในเดือนนี้เป็นยังไงเดือนหน้าเดือนต่อมาเป็นยังไงโดยลําดับดับอันก็ทราบมาได้โดยลําดับเพราะผลค่อปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆ ความสงบแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นบันนี้กลายมาเป็นอย่างนี้ฐานท้องกิดต่ก่อนมีความหยากแม้จะมีความสงบรก็เป็นฐานทกิดได้แต่ฐานนั้นกับฐานท้องกิดตานนี้มีความละเอียดต่างกาันะถ้าพูดถึงด้านปัญญาแต่ก่อนพิจารณาก็รู้สึกครุขขักครุกขับอันนะั้คิดอะไรก็ไม่ค่อยได้เหตุได้ผลมีโดยความขี้เกียจนะขั้นต่อมาก็ค่อยได้เหตุได้ผลขึ้นไปโดยลๆๆําดับลำดับต่อมาก็คล่องแคล่วเนี่ยผิดกันมาเป็นเรื่อย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 ว่าบนญใดคำใดก็ถูกต้องไปตามที่ท่านเขียนท่านจารึกมาไว้แล้วนั่นจะเสื่อมไปที่ไหนนั่นเป็นอันหนึ่งความเสื่อมของศาสนากไ็ได้แก่ความเคลื่อนไหวของคนนั่นเองหากิตกายวาว า, า, าจาเคลื่อนไหวไป็นทางที่ต่ําศาสนาก็ค่อยเสื่อมไปโดยลําดับไม่มีศีลมีธรรมไม่มีเหตุมีผลนไ ม, ไม่คํานึงถึงความผิดถูกชั่วดีศาสนาเสื่อมไปอย่างนั้น การปฏิบัติส่งเสริมทั้งจิตใจของเรารักษาจิตใจเราโดยสม่ำเสมอก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยลำดับลาดับนี่แหละศาสนาเจริญคือเจริญที่ใจของเราเหตุก็เจริญได้จากการปฏิบัติโดยสม่ําเสมอนี่เดี๋ยวเจริญมาเรื่อยๆผลสิ่งที่เราจะคุณได้รับก็มีความสงบร่มเย็นไปโดยลําดับปัญญาค่อยๆแตกขนงออกไปเรื่อยๆ ขาดกาจิตใจของตอน้นให้มีความปรองใสให้มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นไปโดยลาดับลําดับเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าศาสนาเจริญศาสนาเจริญกับมาผลเจริญก็อยู่ในอันเดียวกันคืออยู่ในจิตนั่นแหละเวลานี้เรามาบํารุงศาสนาคือบํารุงจิตใจของเราให้มีความจเจริญทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเป็นข้าศึกต่อจิตใจสติปรรัญญาเฟิขึ้นเรื่อยๆ พยายามค้นคว้าในสิ่งที่มีอยู่เราติดสิ่งที่มีอยู่นี่แหละไม่ได้ติดในสิ่งที่ไม่อยู่ที่ไม่มีรักกรักสิ่งที่มีอยู่เกลียดโกรธชังก็สิ่งที่มีอยู่การแก้จกงแก้สิ่งที่มีอยู่นี่ที่ถือว่าเป็นค่าสึกคำว่าแก้ก็ได้แก้ความรู้ความเห็นของตอนเองให้ไปในทางที่ถูกเมื่อถูกแล้วก็ค่อยปลดอยคอดทันไปเรื่อยๆจิตใจก็เบาเมื่อภาชนะ คิเลตอาสวะทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากการยึดมัน่นถือมัน่นมันเบาลงไปเบาลงไปคือก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่จะถอดถอนพิเลตแต่ละตัวแต่ตัวแต่ละประเภทเรื่องของปัญญาทั้งนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่ตล่อมจิตใจเข้ามาสู่จุดที่หมายเพื่อจะดําเนินงานได้สะดวกหากว่าจิตไม่มีความสงบเลยนี่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญากลายเป็นสัญญาวุ่นวายแต่หมด สาผมไม่ได้นอกจากจนกรอบเป็นมุมจริงๆจะนําบัญญานั้นมาใช้เพื่ออบรมให้เป็นสมาธินั้นได้น่ะเวลาจําเป็นจริงเราก็ถือเอาทุกขเวทนาเป็นต้นหรือจนกรอบด้วยเหตุอันใดแล้วถือเอาความจถือเหตุที่จนกรอบนั้นถือสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายนี้เป็นตัวเหตุสําคัญที่จะต้องพิจารณาให้ทานกับเหตุการณ์นั้นนี้เกิดความเปลี่ยนตลาดขึ้นมาได้จิตก็ยังเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการได้ถ่ธรรมนา จิตจิ้มไม่ควรมีความสงบภายในจิตใจเลยนี้เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรพอพิจารณาไปที่แรกก็ก็ดูเหมือนเป็นปัญญาท่าน ต, ต, ต, ต, ต่อไปก็ต่อไปต่อไปก็พ่อยท ะ, ล ะ, ล ะ, ละเลทลายทะเลถลายไปเลยกลายเป็นทัญรมลงไปเรื่อยๆเหมือนธรรมดาที่ไม่เคยพิจารณาเลยงญญานท่านยังสอนให้จิตมีความสงบสมาธิอบรมปัญญาตามหลักธรรมทั้งกล่าไว้ว่าสมาธิปริภาวิจารปัญญามาเป็ท่าร่ มหันจะสรงโมติภารในสร้างๆ ส, ส, สมาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอายุสูงมากปัญญาริภาวตางจิตก่างสมาเดวะอสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากที่เดชทั้งกวงโดยชอบนานในที่ปัญญาจะ ก, ก้าวเดินได้โดยความสะดวกสบายก็คือมีสมาธิความอุ่นหนาฟ้าข้างอยู่ภญญายในจิตใจ ถ้าเราจะเทียบถึงธาตุขันธ์ก็เถิดธาตุขันธ์ก็ได้รับทานอาหารมาพอสมควรแล้วพักผ่อนนอนหลับให้มีความสะดวกสบายแต่ทาหน้าที่การงานอะไรก็ได้จิตใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความหงุดหงิดเป็นเหตุจิตใจที่มีความสงบย่อมไม่หงุดหงิดต่ออารมณ์ทั้งหลายเหมือนจิตใจที่ธรรมดาซึ่งไม่ได้มีความสงบเลยเมื่อจิตใจสงบเราจะพาพิจารณาแยกแยะเหตุเรื่องอะไรก็ตาม มันก็เป็นเหตุเป็นผลไปโดยลำดับบรดาตามหน้าที่การงานที่พาให้ทําปัญญาก็ทําหน้าที่ไปตามงานนั้นๆโดยไม่ต้องทะเลทลายไปไหนปัญญาที่เป็นิ่งสําคัญแในเมื่อมีสมาธิอบรมแล้วพิจารณาคล่องแคล่วไปโดยลำดับมันเป็นขั้นหนึ่งในการที่จะกล้าออกทําปัญญา แต่กรณีพิเศษที่ว่าปัญญาลงรมณ์สมาธินั่นออเคยได้อธิบายได้แล้วนั้นถึงข้าวจนตอกเป็นมุมเขาจริงปัญญาจะหมุนตัวไ ป, ไปทันทีทันใดและได้เห็นเห็นผลประจักษ์คือจิตจะแนวลงไปโดยลําดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ทําด้วยความจดจ่อจริงๆทําแบบ time, เอาเป็นเอาตายเพ้าว่ากันเลยไม่สนใจกับงานอื่นสิ่งใดทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาทำธุระหน้าที่นั้นอันนั้นในปัจจุบันทันด่วนก็เห็นผลขึ้นมา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 ปูดเท่านี้เราก็ทราบแต่พ อ, อยางยิ่งก็คือข้าคือฐานติดมันติดที่นี่จิงค้นคว้าสิสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นชัดเจนคือคลืค่คลายออกดูเห็นประจกักษ์ครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแก่แจ้งขึ้นไปเองเช่นเดียวกับเราท่องหนังสือท่องพ้นหนึ่งสองหนจําไม่ได้ท่องหลายทั้งหลายหนก็จําได้เองมีหมายถึงความจําท่องหลายหลายหนมันยังจําได้ปัญญาความที่นี้พิจารณาพิจารณาแล้วเทียนาเล่า ก็จะเข้าใจคราวนี้เข้าใจคราวหน้าเข้าใจหลายครั้งแล้วเขาไปมันก็แนบสนิทถึงใจซึ้งถึงใจต่อยได้เลยนา น, น, นา ต, ตั้งแตายตัวก็่ยิกาโตทําให้มากเจริญให้มากไม่ว่าสิ่งใดเจริญจนกระทั่งถึงถึงสีถึงแดนหมายถึงความเข้าใจจริงๆแล้วมันปล่อยของมันเองะมันเพียงแต่ว่าพิจนารณาแล้วนี่เราเข้าใจแล้ว ครั้งนั้นเราเข้าใจแล้วทั้งนี้เราไม่พิจารณาอย่างนั้นก็ไม่ได้จะพิจารณาขีดขั้งสูงก็ตามความเข้าใจนั้นเป็นบทเป็นบาศฐานสืบเนื่องกันต่อเนื่องเป็นลําดักหนักจกนกระทั่งถึงความเข้าใจเป็นภูมิเมื่อเข้าใจเป็นภูมิแล้วก็ปล่อยเองมันเรียกว่าพอถ้ายังไม่พอแล้วต้องพิจารณาจนพอเมื่อพอแล้วจะให้พิจารณาอีกก็ไม่ยอมพิจารณาเพอาพอแล้วนี่จะพิจารณาอะไรมันรู้เอง เส้นเดียวกับนแล้วทานอี่เนี่ยแต่บางครั้งให้รับทานยังไงมันก็รับไม่ได้ก็มันอิ่มแล้วจะรับทานยังอีกงานปัญญาเป็นสําคัญที่จะถอดถอนกิเลสเป็นรักเป็นตอนไปได้โดยลำดับเห็นประจักษ์ได้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเครื่องตะลอ่อมกิเลสเข้ามาสู่จุดหรือตะล่อมจิตเข้ามาให้ คือความสงบเพื่อเพิ่มพลังแห่งการพุทธินงาทางด้านปัญญาพอปัญญาก้าวเดินตามขันต่างๆหรือข้าวเดินตามอริยสัจก็ได้หรือตามขันอะไรก็แล้วแต่จะพูดเทินไปเพลินไปถอดถอนกันได้เข้าใจกันได้เป็นลำดับลนดานั้นเป็นปัญญาขั้นเพลิน ผลรายได้ปลาปลาปดทำไมจะไม่เพลินในการงานต้องเพลินไม่ว่างานนอกงานในเมื่อทําลงไปเห็นผลประจักษ์โดยลำดับลำดับก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นทําอะไรไม่ได้มีแต่ความขี้เกียจรือไม่อยากทำํำจิตที่ยังไม่เห็นผลในการพิจารณาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันต้องในบังคับบัญชาทุกยากลําบากเหนดเหนื่อยเมื่อหล้าขนาดไหนก็ต้องบังคับบัญชาให้ทําำเห็นผล ขึ้นมาครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็จะค่อยมีแต่จิดแต่ใจไปเองต่อไปเมื่อผลสู่เนื่องเป็นลําดับประจกักษ์อยู่กับใจโดยไม่ละกันแล้วเรื่องความพยันหมั่นเพียรไม่ต้องบอกเป็นขึ้นมาเองรถอันใดที่จะยิ่งกว่ารถแข่งธรรม น, นี้ไม่มีในโลกธาตนนุวินวัยท่านจึงว่ารถแข่งธรรมชนะเป็นรถทั้งกวงัคำว่าทั้งกวงก็หมดพอได้ปรากฏขึ้นที่ใจแล้วก็ทําให้ดูดึง ซึมซาบหรือซาบซึ้งมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเพิ่มรถขึ้นไปโดยลําดับลําดับเพิ่มความเห็นความรู้ให้ซึ้งเข้าไปในธรรมทั้งหลายโดยลํำดับลำดับน <c oughs> ี่แหละความขยันหมั่นเพียรเป็นมาเองอย่างนี้ไม่งั้นจะเรียกว่าเป็นมหาตติมหาปัญญาไม่ได้ทีแรกก็ล้มลุกคลานไป ตั้งได้บัง่งไม่ได้บ้างลงไปบ้างตั้งได้บ้างแพ้บ้างชนะบ้างเอากันไปถูไถกันไปด้วยความเพียรของเราต่อมาความชนะก็มีมากขึ้นมากขึ้นผลสุดท้ายคำว่าแพ้ไม่มีเลยให้ตายซะดีกว่าถ้าจะแพ้ทิเดตตัวนั้นตัวนี้ตัวใดก็ตามขอให้ตายซะดีกว่าที่จะมาแพ้น่ะถึงขั้นนี้แล้วถึงไ ม, ายาม่ยอมถอยมีท่านอย่างปัญญาเต็มมากหรือมหาสติมหาปัญญา ออกมาจากปัญญาที่ลบลูกคู่ขานนั่นแหละแต่เพราะความบำบุงความส่งเสริมฝึกหัดอยู่เสมอก็ต้องมีความคล่องแคล้วกล้าขึ้นเป็นธรรมดาเรืพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันนี้แ่ละเอียดก็เพราะปัญญานี่แหละหลงก็เพราะความไม่พิจารณาเวลารู้ก็รู้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยไม่รู้ที่ไหนหลงก็หลงสิ่งที่มีอยู่เวลารู้มันรู้ซึ้ง อ๋อมีอยู่กับตัวทําไมแต่ก่อนไม่รู้การทำไมจึงมารู้เดียเด๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งเหล่านี้พุ่นจะมาปรากฏในขณะ น, นี้เท่านั้นมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมทําไมความรู้ไปที่ไหนแต่ก่อนถึงไม่เห็นไม่รู้ทําไมพึ่งมารู้เดี๋ยวนี้ทั้งๆที่ทสิ่งนี้มีอยู่มาตั้ง ม, มีอยู่แต่วันเกิดน่มันเป็นโทษของตัวเองขณะที่เจอเข้าไปเจอเข้าไปคือเจอความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ถ้าลงได้จริงอย่างนั้นรู้ตรงไหนมันก็ละมันก็ถอน ออกไปเรื่อยๆขันตั้งห้าทศกุลเจา้าท่านละได้เนี่ยท่านเคยหลงขันทั้งห้าแล้วท่านมาพิจารณาก็รู้ขันทั้งห้าปล่อยวางขันทั้งห้าสาวกอารานขันท่านก็เป็นนักหลงด้วยการเช่นเดียวกับพวกเราหลงโลกหลงสารไม่มีเกินหน้าพวกมีกิเลสแหละพวกมีกิเลสต้องหลงด้วยกันทั้งนั้นให้ทร า, าว่าใครจะแข่งใครใครจะเก่งกว่าใครมันเท่าๆกัน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 อันนี้จังทุกข์ของหน้าตามันปีนงเตียวอนนีจังทุกข์องหน้าตาคือความคิดนั่นไปเสียเ่ียเว่ามันหนักมันหนาพอปัญญาสอดแทรกเข้าไปโดยลําดับดับทะลุไปหมดพอทะลุขันห้าแล้วทะลุหมดทั้งโลกทะลุขันห้าแล้วยังมาแล้วทะลุจิตทะลุอวิชาที่มีอยู่ภายในจิตอีกทีนี้โล่งไปหมดถ้ามีอะไรติดแหละเมื่อก็มีติดอยู่ภายในตัวเองนี้เท่านั้นตัวเองติดตัวเองตัวเองบังตัวเอง ความงม่บางความรู้ความฉลาดแต่ว่าอะไรอวิชชาบางนิจฉาอกิเลสบางธรรมพอใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าเข้าไปฝึกค้นเข้าไปาไปิกคน้คนเข้าไปไอเมฆหมอกหลายที่มันปิดเมดคิดอยู่ภายในจิตใจแล้วค่อยเบิกกว้างออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวไปก็ปแงทงคะลุไปหมดนั่นแหละท่านเนี่ยแโลกายีทรูรู้ตรงที่มันมืดมืดนี่แหละอื โลกโลกอิถูู้แจ้งโลกคือโลกธาตุโลกขันเป็นโลกที่มืดที่สุดเป็นโลกที่หนาที่สุดยิ่งกว่าภูเขาทําลายไม่แตกภูเขาทั้งโลกเขาทําลายแต่กระจายหมดแต่ธาตุขันนี้ทําลายไม่แตกต้องเอาสติปัญญาเข้าทำลายโดยสม่ำเสมอไม่ลดละเมื่อรื้อธาตุรื้อขันออกสู่ความจริงคืออ น, นิจจังทุกขตาล้นล้วนด้วยความซึ้งภายในจิตใจแล้วฆาดสึก ก็ไม่มีหมดฆ่าสึกในคันนี้อา้าวเข้าไปอยู่ในที่จิตที่เหลือันหาสภาว่ามีที่หลบซ้อนก็ไปอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาสั้งขานิ ญ, ญามก็ถกถูกตีต้อนด้วยสติปัญญาวิ่งเข้าไปสู่จิตอ่อาไปตต้อนเข้าไปสู่จิตอีกเอาให้แหลกประตต่างกันหมดจิตจะสูญก็ให้สูญไม่มีความเสียดายเลยว่ามวดจิตถูกการถูกพิจารณากลัวจิตจะจิตหายกลัวจิตจะล่มจมอา้าวไม่ต้องกลัว ความกลัวนั่นแหละคือกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่อยากให้แตกต้องโค้นลงไปที่จิตฟาดฟาดฟาดลงไปที่จิตจนแตกากระจายเมื่อถ้าแตกแล้วจิตไม่ได้แตกมันเป็นเรื่องของกิเลสแตกต่างหากเป็นกิเลสสลายปต่างหากจิตไม่ได้สลายกลายเป็นความรู้สิตขึ้นมาทั้งดวงนั่นแหละท่านเรียกว่าพุทธพุทโธ ท, ทีแรกเราก็นำพระพุทธพระนามของพระชา้าเข้ามาบริกรรมมาพุโทโธพุโทโธโดยอาศัยพระนามอันนี้ เป็นที่อาศัยเป็นที่เกาะของจิตพุทโธพุทโธขั้นต่อไปต่อไปคําว่าพุโทโธของกับความรู้ของเราเค่อย ก, กลมคลืนกันเข้าไปโดนดับจนกลายเป็นอันเดียวกันแล้วคําว่าพุโทโธก็ปล่อยได้ในขณะ น, นั้นนี่ก็เป็นพุโทโธขั้นหนึ่งพุทโธขั้นนี้นนนกล้าเขาจะกระทั่งถึงพุโทโธ ข, ขั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอวิชชาสัญญาอสวะทั้งหมดนั้นเป็นพุโทโธที่แท้จริงเป็นธรรมโมแท้เป็นสังโฆแท h, ้แท h, พุทธธรรมะสังฆะเป็นอันเดียวกันในขณะ น, นั้น อาการตามอาการถนัพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ผูกตามหลักสมมุติที่โลกมีสมมติท่านจะแยกประเภทออกไปพระพุทธเจ้าคือศาสตราที่ทรงสั่งสอนโลกโดยอาศัยพระธาตุพระขันธ์อะไรอยแบบนี้พระสกุลนาการนี่ประกาศสอนโลกอันนี้เราคิดว่าพุทธะนีรือนร่างของพุทธะคือสกุลนาการธรรมะก็ได้แจกธโมปดีโปที่มีความสว่างกระจ่างเชื่ออย่างไรพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นแน่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 หมดสมมุต <c> ิ <oughs> ว่าอาดีตอนาคตการสถานที่ใดๆทั้งหมดไม่มีความหมายสำหรับจิตตรงนั้นนั่นและคือจิตที่พ้นจากสิ่งกดท่วงบรรดาสมมุติน้อยใหญ่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภ า, ายในจิตใจนี่คือผลแห่งการรักษา <c oughs> การปฏิบัติจิตใจบำรุงจิตใจโดยสม่ำเสมอยากขอตามง่ายขอตามทานไปด้วยความเพียรทั้งนั้นจนกระทั่งถึงขึ้นหมายตายทาง ผู้นั้นเป็นผูกพ้นแล้วจากความจองป่าช้าเป็นนักเกิดแจสุิตตายนักแบบทุกข์ให้ลำบากลำบุญเป็นผูกพ้นไปแล้วยังจ่ขันก็เป็นขันล้วนๆอาการอะไรที่เจ็บปวดถึ้นั้นกรุ่มนี่ก่อทราบไปตามธรรมชาติของมันที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นบังคับให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะทางเดินของอนิจจังทุกข์หนตาทุกขังนาตาต้องเดินไป ตามหักธรรมชาติของเขาผู้ที่รู้ความจริงแล้วก็รู้ตามธรรมชาติของมันต่างอันต่างกินพอถึงวาละสิดท้ายแล้วคนไม่ไหวเหลยต่อยทิ้งเสียหมดกังวลหายห่วงตัวประการทั้งปวงท่านแหล่คือทางนิพพานบริสุทธะแท้คือนิพพานล้วนล้วนอะมุปาทิเสสนิพานหมายถึงจิตที่พ้นอสมมุติความรับผิดชอบโดยประการทั้งปวง แ, ล, งแล้ว การกล่าวมาทั้งนี้อยู่ที่ไหนทมที่กล่างมาทั้งหมดถ้าไมา่อยู่ที่ผู้รู้เวลานี้ไม่มีที่อยู่ผู้นี้เป็นผู้รู้แต่เวลานี้เป็นผู้เป็นยังผู้ยังหลงยังไม่สามารถที่จะทำความรู้นให้เต็มภูมิแห่งความรู้ล้วนๆได้จึงต้องอาศัยการซักข้อเพื่อการคิดปฏิบัติการได้ยินไนฟังจนกระทั่งถึงจุดตัวเองได้เต็มความสามารถบรรลุถึงความเต็มภูมิแล้วมันก็เหมือนกันหมด การแสดงทํามก็ถือว่าสิ้งหน่งปฏิบัติกานี้